อุบาสกเป็นการไม่สมควรแก่อาจจะมาที่จะเข้าไปฉันในบ้านของผู้ใดผู้หนึ่งพระมหานิสสะะตอบเช่นนี้เพราะท่านถือธุดงควัตนะเวเทหกุดุมพีจึงจัดอาหารใส่จนเต็มบาดแล้วนำมาถวายแก่ท่านแล้วกลับเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้ยุรภาคเจ้าข้าพระองค์นิมนต์พระมหานิสสะะเถระให้เข้ามาในบ้านทั้งกราบเรียนว่าพระผู้ยุติภาคเจ้าประทับอยู่ในบ้านนี้ด้วย ท่านก็ไม่ ด, ดีที่จะเข้ามาถ้าพระองค์คิดว่าคุณธรรมของพระมหานิสสะะเถระนี้ยิ่งกว่าคุณธรรมทั้งหลายของพระองค์มีอยู่บ้างหรือไม่พระเจ้าข่ า, าถามว่าคุณธรรมของภาษาวก k นะ่ะมากกว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามีหรือบ้างหรือเปล่ามีอยู่บ้างหรือเปล่าเป็นกฎธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีวั น, นะมัชชริยะมัชชริยะนี่ก็คือความตนีวั น, นะนี่ก็คือความดีความดีของของผู้อื่นวั น, นะมัชชริยะคือความตนีหรือเกลียดซึ่งการสรรเสริญคุณของผู้อื่นไม่มีนะพุทธเจ้าไม่มีแต่พวกเราเนะี่ยยังมีเขามาสรรเสริญคุณของใครให้เราเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ย มันโกหกหรือเปล่าเนี่ยคุณอย่างนี้เนี่ยไม่น่ามีในบุคคลเช่นนี้นะเราเกิดมันไส้ขึ้นมาหน่อยๆแล้วหรือเราเองก็ตามเนี่ยจะสารเสวนคุณของใครสักคนเนี่ยเราจะสารเสวนได้อย่างสนิทใจหรือเปล่านะเราไม่มีความรู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบใจหรือว่าเขาเรียกว่ามัจฉริยะนั่นเองอะคือเอ๊ะอย่าไปสารเสวนเขาเลยนะเดี๋ยวเขาจะดีกว่าเรา ไม่เอานะไม่แต่ละเสริญเถอะมีหรือเปล่าของเรายังมีอยู่นะเพราะเรายังละไม่ได้เรายังเป็นโสระดาบันโสระสบันนี่ยมันละได้ซึ่งมัชชริยะความตนีห้าอย่างอ่ะมีตันีลาบเป็นต้นเนี่ยนะรวมทั้งตนีความดีของผู้อื่นตนีความสวยก็ได้ความหล่อก็ได้นะคือไม่แต่ละเสริญแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นพระปัทถมุตตระพุทธเจ้าจึงตัดบอกเวเทหะกุดุมพีว่าดูก่อนอุบาสกพวกตศขาคตเป็นเป็นพวกนั่งคอยรับภิกษาอยู่ภายในบ้า น, นคือที่มาที่มารับกิจนิมนต์เนี่ยเป็นเป็นผู้ที่รับกิจนิมนต์นะว่าง่าง่ายแต่ภิกษุนั้นคือพระมหาทิสภะไม่ใช่ผู้คอยนั่งรับภิกษาอยู่ในบ้านเหมือนกับพวกเรา พวกเราอาศัยอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านก็สรรเสริญต่อไปเลยนะพระเจ้าสรรเสริญต่อไปเลยว่าพวกเราอาศัยในเสนาสนะใกล้บ้านภิกษุนั้นอาศัยอยู่แต่ในป่าเท่านั้นพวกเราอยู่ในที่ที่มีพื้นฝาหลังคาเก่าคือคืออยู่อยู่จนหลังคาเก่าอ่ะคืออยู่กุฏิจนหลังคาเก่าภิกษุนั้นอยู่แต่ในที่แจ้งเท่านั้นคือไปอยู่ป่าแล้วก็ไปอยู่ที่แจ้ง ในที่ที่ไม่มีอะไรมุงบุกมุงบังเฉพาะเฉพาะไม่เข้าบรรษานะแต่ถ้าเข้าาบรรษาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีบุงที่บงังคืออยู่ในถ้ำนะคุณธรรมของมหานิสสพานั้นย่อมเป็นอย่างนี้ผนะู้เจ้าสรรเสริญต่อเลยนะพวกเรานี่ไม่แน่ใช่ไหมมีใครมาสร ร, รเสริญคุณคนอื่นในเราก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือเราจะสร ร, รเสริญใครเนี่ยก็นักจะส ร, รรเสริญ น, น, น, นิดๆหน่อยๆ ไม่สลัลเสิริญให้หมดเพราะว่ามีความจาหนีอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่มีความเจ้หนีก็จะบอกหมดตามความเป็นจริงนะอย่างคุณของพระมาหากัสปะมีอย่างไรแล้วก็สลัลเสริญได้ถ้าเราเลื่อมใสท่านเนี่ยตามความเป็นจริงแต่ถ้าไปสลัลเสริญคุณของบุคคลที่ชั่วนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการดีซะแล้วนะคือเขาเป็นคนชั่วแล้วเราไปบอกเขาเป็นคนดีเนะี่ยมันไม่ถูก ไม่ถูกเขาไม่มีความดีอะไรเลยเรามาสารเสรินเขาเนี่ยมันไม่โกหกกันหลอกลวงกันต้องมีจริงแล้วเราถึ ง, ถงจะสารเสรินกันได้ถ้าเขาไม่มีความดีอะไรก็กเงียบไปมีแต่ความชั่วเราก็ตาหนิได้แต่ต้องตาหนิด้วยจิตเมตตาตาหนิด้วยจิตเมตตาแต่แต่ก็ทํายากอีกแั้เนี่ยพอเราเมตตาเขาจริงหรือเปล่า ดูก่อนอุบาสกนะอ อ, อบอกเรียบร้อยแล้วนะเมื่ออุบาสกเวเทหะได้ฟังดังนี้แล้วก็ย่อมก็ยังก็ยิ่งมีใจเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกเปรียบเหมือนดวงไฟที่ลุกโพร่งอยู่ตามธรรมดาแล้วมีผู้เติมน้ำมันซ้ำลงไปไฟก็ลุกโพร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอุบาสกเวเทหะมีความคิดว่าเราไม่ต้องการสมบัติอย่างอื่นเลย คือเราทาบุญไปแล้วเนี่ยจะต้องการสมบัติอะไรอะไรก็ได้นะบุญเนี่ยให้ได้ทุกอย่างเพราะนั้นคนเนี่ยมีบุญเป็นที่พึ่งซะแล้วเชื่อบุญซะแล้วเนี่ยสบายใจเอาละชาตินี้เราไม่มีสมบัติอะไรไม่ต้องเสียใจเรามีบุญเป็นสมบัติอย่างเดียวแล้วสมบัติอย่างอื่นที่เรายังไม่มีเนี่ยจะได้ขอให้เราทําบุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนและอธิษฐานเพราะนั้น เขามีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญเขาจึงคิดว่าเราไม่ต้องการสมบัติอย่างอื่นเลยเราควรจะปรารถนาขอถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในฝ่ายทุดงในพระศาสนาของุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตการนั้นเถิดคันคิดดังนี้แล้วอุบาสกจึงกราบทูลนิมนต์พระประทัทมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุทั้งหลายให้มาฉันที่บ้านของตนอีก 6ล้านแปแสนนะนะรวมแล้วก็ถวายทานอยู่เจ็วันและในวันสุดท้ายจัดการถวายผ้าไตาจีวรแก่พระภิกษุทั้งหลายมีผู้เทเจ้าเป็นประมุขแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระพุคเจ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาย่อมมีแก่ข้าพระองค์ผู้ถวายมหาทานอยู่ตลอดเจดวันนี้ คือเขาทำด้วยเมตตาเลยทั้งกายากายที่เขาจัดเตรียมอาหารจัดตกแต่งเสนาสะนะทุกอย่างวัจีกรรมที่เขาก่าวสั่งคนต่างๆบอกให้เตรียมปัดใจสีอย่างนั้นทำอย่างนี้และมโนกรรมของเขาเนี่ยมีเมตตาอยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์นะตลอดเวลาตลอดเจ็ดวันถ้าพระองค์ไม่ปราถนาซึ่งสมบัติ ของเทวดาพระอินทร์มารพรมใดๆทั้งสิ้นด้วยบุญกุศลนี้แต่ขอบุญกุศลนี้ของข้าพระองค์ที่กระทำแล้วนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในด้านทุดงเหมือนกับพระมหานิสภระเทระนี้ในพระศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระเจ้าข่าคือเขาก็กล่าวตามความคิดของเขาน่ะ ว่าเขาขอกับบุญของเขาเองนะที่เขาได้ถวายมหาทานอันประกอบด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งและก็มีศรัทธามีปัญญาอย่างอื่นด้วยเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจรารณาเห็นว่ามหาฐานนันดอนสมณศสักนะแหมอันนี้ก็แปลยากหน่อยมหาก็ใหญ่ฐนะานนันดอนที่ตั้งนะสมณศักสมณะคือสักของพระสมณะเนี่ย ที่อุบาสกผู้นี้ปรารถนาจากสำเร็จสมมโนรถมโนกใจรถก็แล่นไปใจมันแล่นไปอยากให้สำเร็จอย่างนั้นเนี่ยจึงทรงพยากรคือชี้ขาดเลยชี้ขาดซึ่งผลของกรรมเขาเสยเลยที่เรียกว่าพยากรเนี่ยก็คือชี้ขาดให้มันแน่นอนไปเลยว่าตำแหน่งมหาฐานันดรสมณสักที่อุบาสกเวเทหะปรารถนานี้จากสำเร็จเป็นแน่แท้ในศาสนาของพระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้จะอุบัติขึ้นในอีกแสนกับนับจากกับนี้ไปท่านจะได้เป็นตติยะสาวก ค, คือสาวกรูปที่สามของพัสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นและจะมีนามปรากฏว่าพระมหากัสสะเถระพุทธพยากรณ์นี้เมื่ออุบาสกเวเทหะฟังแล้วมีความยินดีอย่างยิ่งประหนึ่งว่าจะได้สำเร็จในวันรุ่งขึ้นทั้งอีตั้งแสนกับแต่เขาฟังดูแล้วเขาเชื่อใน พุทธพยากรณว่าเขาต้องได้แน่นอนเพราะนั้นเขาจึงดีใจอย่างยิ่งนะปลื้มใจอย่างยิ่งด้วยเชื่อมั่นต่อพระพุทธดำรดนั้นว่าไม่เคยมีพระวาจาเป็นสองเลยคำนี้มันจะอยู่ในใจของเราหรือเปล่านะว่าดำรดพระพุทธขอพระพุทธ เ, ธเจ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคือเรียกว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเราจะมีอยู่บ้างไม ถ้าเรามีอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีศรัทธาในความตัดสุขความพุทธเจ้าแน่นอนแล้วว่าปัญญาพุทธเจ้าเนี่ยที่แสดงอะไรออกไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงเพราะรู้จริงแล้วจึงแสดงจรงกล่าวนะสิ่งที่พระองค์กล่าวไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เขาเชื่ออย่างนั้นนะเขาจึงดีใจหลังจากฟังพุทธพยากรมาแล้วอุบาสกก็ไม่ละในการกระทาความดีต่าง เช่นการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นกระทาอยู่จนตลอดชีวิตพอสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์และนับแต่ได้รับพุทธยากรมาก็เกิดแต่ในสวรรค์และมนุษย์เท่านั้นคืออำนาจบุญของเขาและที่เขาทําสืบเรื่องกันมาเนี่ยขั้นมาถึงกับที่91นับถอยหลังไปจากกับนี้กับนี้คือ ก, บกับที่เราอยู่นี่เขาเรียกพัทรกับ เป็นพุทธกาลคือเวลาที่พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งบังเกิดขึ้นคือพระวิปัสสีศาสดาจารย์อุบาสกเวเทหจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในตระกูลของพราหมณ์แก่คนหนึ่งในยุคนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขมะมิคะทายวันทรงแสดงธรรมเจ็ดปีต่อหนึ่งครั้งเมื่อวันกำหนดที่จะทรงแสดงธรรมเวียนมาถึง ความมาหาโกลาหนคือเสียงกึกก้องยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าทั้งหมู่เทวดาและมนุษย์ก็ช่วยกันเป่ารประกาศไปทั่วจมพูทวีเพื่อให้ทราบว่าวันนั้นวันนั้นพระอภิปัติ์ศรีพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมด้วยว่าการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นหาฟังได้ยากยิ่งใวเรามันจะคิดอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่านะถ้าเรารู้ว่าการฟังธรรมยากเนี่ยต้องฟังนะชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยต้องฟังแต่ธรรม แต่เรารู้สึกว่าไม่อยากเรียนอะไรนี่ฟังธรรมพระพุทธเจ้านะไปฟังเพลงยังจะยากกว่าเลยบางทีซื้อตัวแล้วอาเขาเกิดยกเลิกซะอีกเลยฟังไม่ได้ <c oughs> เขาก็เรามันไปตามอํานาจความโลภว่าสิ่งที่ความโลภมันปรารถนามันคิดว่าเป็นของยากนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาฟังยาก เพราะว่าเขาเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้เมื่อพระอาทิตย์และพระจันทร์คือพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์นะยังไม่อุบัติขึ้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้แม้แต่ชื่อชื่อนี่ก็ไม่รู้จักกันแล้วว่านี่ศรัทธานะนี่สตินะนี่วิริยะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะนี่ โลภะเป็นอย่างนี้นะนี่ผัสสะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้หรอกแม้แต่ชื่อก็เปรียบเหมือนว่าเมื่อพระชิดพระจันทร์ไม่ขึ้นคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะไปเรียกชื่ออะไรอะ่ะของต่างๆมีอยู่เนี่ยมั่มองไม่เห็นแล้วจะไปเรียกชื่อกันได้ยังไงแต่เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นต่างหากเมื่อพระองค์ตัดสู้นสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอยู่ในชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยจึงได้บัญญัติชื่อตรงกับสภาวะธรรมนั้น ว่าสภาวะที่กระทบเรียกว่าผัสสะสภาวะที่จำได้เรียกว่าสัญญาเพราะมีลักษณะจำคือลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆนั้นแตกต่างกันก็เรียกกันไปปัญญัติชื่อได้สภาวะที่รู้แจ้งเรียกว่าปัญญาสภาวะที่ตั้งมั่น เรียกว่าสมาธิหรือเอกคตาอย่างนี้น่ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดแล้วเนี่ยชื่อยังไม่มีใครรู้เลยไอ้สิ่งนี้มันเรียกอะไรอ่ะเนี่ยไอ้ที่เราไปฆ่ากันเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่รู้บัญญัติไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เรียกว่าบาปก็เรียกไม่ได้เรียกอกุศลก็เรียกไม่ได้เรียกไม่เป็นนะไอ้ความดีที่เราไปทํากันเนี่ยให้ทานเนี่ยจะเรียกยังไงก็เรียกไม่ถูกอีกไม่ถูกตามสภาวะนะแต่สภาวะนั้นมันมี แต่ไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นอไม่มีคนบัญญัติชื่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงบัญญัติได้ว่านี่นะเขาเรียกอุปาทานขันห้านะอุปาทานขันห้ามีอะไรอุปาทานเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรเอาขันห้าเป็นยังไง ร, รูปขันเป็นยังไงแล้วทุกเป็นยังไงทุกเขามีลักษณะอย่างไรนะสัจจะความจริงคือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นอย่างนี้จึงจะ บ, บัญญัติกันออกมาได้นะ หือตันหาอย่างเนี้คนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสภาวะธรรมเนี้ยคืออะไรแต่ทั้งที่เป็นอยู่ อ, อาจจะเรียกว่าเป็นของดีเท่าไยร่ซ้ำสิเรามีตันหากันนี่เป็นของดีนะเพราะฉะนั้นพราหมณ์แก่ผู้นั้นได้ฟังคําประกาศให้ไปฟังธรรมแล้วกป็ปีติเป็นล้นพ้นเนื่องจากว่าหาฟังได้ยากแต่ก็มีความอึดอัดใจอยู่เพราะว่าภรรยาตนเอง แล้วก็ตัวเองมีผ้าห่มอยู่เพียงผืนเดียวได้ชื่อว่าจูเลกะสาตกนะเป็นที่รู้กันทั่วไปเลยว่าพราหมณ์ผ้าผืนเดียวคือไปไหนก็ผ้าผืนนี้แหละออกไปโชว์เขาถ้าเมียห่มผัวก็ต้องอยู่บ้านถ้าสามีห่มออกไปภรรยาก็ต้องอยู่บ้านเขาเลยเรียกชื่อกันตามตามลักษณะจริงอย่างนั้ น, นเพราะว่าเป็นคนจน ก็คงด้วยอำนาจวิบากกรรมที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยที่จะได้มาเกิดแล้วมีผ้าน้อยแต่งนั้น ท, ที่ถวายผ้ากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกตั้งหกล้านแปดแสนนั่นนะแต่ว่าเอาคราวนี้มาเกิดมีผ้าผืนเดียวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเอาแน่ไม่ได้หรอกชีวิตของตัดโลกเนี่ยอย่านึกว่าเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะเราจะไม่จนไม่มีกินเป็นเปรตหัวโตอยู่นี่ไม่จริงเป็นได้ทั้งนั้นนะ่ะ เพราะเราทํากรร ม, มไว้เยอะวันวันนี้ก็ทํากรรมที่จะทําให้ยากจนทําให้เดือดร้อนกันมากมายอยู่แล้วเนะพราะเรามีความตนหนีมีความโลภอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุให้เราได้รับวิบากที่ไม่ดีไดนะ้เพราะฉะนั้นท่านก็มีผ้าพเพียงผืนเดียวจะไปฟังธรรมก็จะลําบากแล้วนะวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้เพราะหมดเวลาก็ขออนุภาพแห่งอ่านะ คุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหาัสปะเทระจงเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสและปฏิบัติความเพียรตามแนวทางที่พระพุทธพระพัเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นขุมทรัพย์บอกเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงและกุศลธรรมทั้งปวงนั้นจงกาจัด อกุศลมีอวิชชาเป็นต้นให้หมดสิ้นบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วถึงกันโดยพลันเทิน